สมัยหลวงปู่มาอยู่ที่วัดผู้เจ้าก้อย่างแห่งนี้เป็นครั้งแรกก็ไม่คาดไม่คิดเลยว่าจะเป็นอย่างนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วก็บพรลมีของหลวงปู่ของเรารู้สึกว่าเป็นที่อบอุ่นหลวงปู่สั่งสอนลูกหลานฝังลงในจิตใจได้มากๆ ตั้งแต่ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่ป่วยก็ญาติโยมก็หลั่งไหลเข้ามาไม่เคยขาดเป็นระยะระยะจนถึงหลวงปู่วันมรณะภาพอย่างเมื่อวานได้รู้สึกว่ามีมากๆดูๆแล้วฟังอาตมาก็ไม่ได้มาดูหรอกแต่ว่า ฟังฟังทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นแสนน่ะวันนั้นอ่ะเมื่อวานนี่ยแต่วันนี้ก็ไม่แพ้เมื่อวานนี้เหมือนกันวันนี้ค่อยเยอะนะเพราะนั้นพวกญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในทิศทางไกลก็พยายามฟังคอยฟังว่าจะประชุมเพลิงหลวงปู่วันไหนก็ช่วงนี้แหละในเร็วๆนี้คงไม่นาน แต่ตามไม่จริงพินายกรรมหลวงปู่็เขียนเอาไว้อย่างที่พวกเราได้ยินจากหลวงปู่และได้ยินต่อๆกันแต่ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะประชาชนเข้ามากราบมาไหว้ท่านเยอะเหลือเกินอย่างเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันทีแรกก็คิดว่าพรุ่งนี้เช้าจะบรรจุหีบ แต่พอเห็นประชาชนมามากๆ ก, ก็ไม่รู้จะทำยังไงมาด้วยจิตด้วยใจมาจากจารตุรทิศมาทางไกลเป็นวันเป็นคืนก็มีแล้วพอมาขึ้นมาแล้วไปเห็นเห็นอยู่ก็เอาเข้าหีบเอาเข้าหีบเข้าลงซะก็จะเสียความรู้สึกของประชาชนเพราะนั้นจึงได้ปล่อยทั้งวันเมื่อวานนี้จนถึงตอนเย็นเกือบหกโมง ประชาชนได้เบาบางลงแล้วจึงได้บรรจุหลวงปู่ลงบนในหีบศพนะแต่พอมาถึงวันนี้ญาติโยมก็ยังมีมากอยู่ อ, ยอันนี้เขามีความเห็นว่าญาติโยมที่เคารพหลวงปู่อย่างที่หลวงตาประสบพูดเมื่อกี้นี่ละ่ะ อัตมาก็ได้อยู่ริเริ่มความเป็นมาจากหลวงปู่แต่ทีแรกเริ่มสร้างภูเจาก้อบางท่านบางคนหรือพระเนนพวกน้องๆทั้งหลายก็อาจจะอยากจะทราบว่าความเป็นมาเป็นไปยังไงสมัยก่อนภูเจาก้อนี่น่ะเป็นป่าดงหนาทึบนะจากตีนเขาไปถึงบ้านแหวงนี่น่ะเป็นป่าดง สมัยนั้นเป็นพศออ2500มีเสือโค่งนะมีเสือโค่งมาหากินพวกวัวพวกควายอยู่แถวบ้านแวงบ้านลูก ป, ปึ่งบ้านโคกหินกองน่นะมีเสือในระตปีหลวงปูม่าปมาอยู่ปู่เจ้าก้อปีนั้นก็ไมอยู่ปี2500ที่ทางโค้งๆนนะนะมีต้นยางใหญ่ต้นหนึ่งอยู่นั่นนะมีเรียกอะไร ชื่อโยมตาปีเขากตาปีคือนายปีพ่อตาปีนี่ยเหมนเถอะชื่อตามบ้านนอกกันมาตักน้ำมันยางน่ะมาก็เห็นควายควายชาวบ้านเนี่ยน่ะมันตื่นมันตื่นเสือมันถูกกลิ่นมันตามปกติควายถูกเสือถูกกลิ่นของเสือเนี่ยตัวแม่เขามันตัวใหญ่ๆจะหันหน้าออกข้างนอกหมดตัวลูกมันจะอยู่ข้างในและตัวไหนเป็นจ่าฝูง ที่เขายาวนั่นน่ะที่เป็นจาาฝูงนะ่ะจะเป็นตัวเมียก็ตามจะเป็นตัวผู้ก็ตามที่เป็นจาาฝูงที่มันที่ว่ามันเขามันมีเหมือนกันแต่มันจะวิ่งรอบหูเพื่อนคล้ายๆว่าเป็นอเป็นทหารกล้าตายอย่างนั้นนะ่ะสัตว์มันก็มีเหมือนกันนะอ่าแตนี้โยมปีนี่ก็เอ้ควายทําไมมันตื่นแล้วดูไปดูมามันถูกกลิ่นเสือเนี่ย แต่ดแต่แกก็เลยหลบเข้าไปในข้างทางทีนี้เสือตอนนั้นมันก็เลยเดินออกมาจากข้ามถนนนะมันไปไปวนควายแล้วมันเข้าหาควายไม่ได้เพราะว่ามันควายมันมันผุงใหญ่พอสมควรอยู่มันก็เลยหลบเข้ามามื่อไหร่ผ่านเข้ามาข้ามทางข้ามทางอ่ะโยงปีนี่ก็เอาปืนยิงเลยแบบนั้นแต่ปืนนี่นก็ปืนยิงนกนะไม่ได้ปืนยิงสาาัตว์อะไรลูกไอ้ปืนทําเองมนะันใส่ปั้งใส่ปะปะถูกที่อะไร ถูกสันหลังของมันพอดีถูกที่มันจะตายมันกระโดดเข้าป่าคนก็วิ่งไปอีกทางเสือก็วิ่งไปอีกทางจากนั้นมาก็เอาชาว บ, บ้านมาดูมันก็ตายตายจริงๆเสือตัวนี้สมัยอาตมาเป็นเด็กเน่ยได้ไปดูอยู่เขาว่าเสือตัวนี้ประมาณห้าศอกกว่าเสือเสือเสือโค่งตัวนี้เป็นเสือใหญ่พอสมควรอูอันนี้เล่าถึงประวัติสมัย อาตอมาเป็นเด็กปีนั้นและปีที่จะได้บวชกับหลวงปู่นะอาตอมาเป็นเด็กพอจบพอเรียนจบป .4 ปี2500ก่อนหน้านั้นก็หลวงปู่ล่าของเราจะจํภาษากับหลวงตามหาบัวเนี่ยอยู่บ้านห้วยทรายมีท่านอาจารย์จิ้งทองท่านอาจารย์เพียนท่านอาจารย์ลีท่านอาจารย์เพลงทํากองเพลงจำภาษาด้วยตรงปู่มหาบัว ที่วัดป่ามั่นห้วยทรายจากนั้นพอลงตามหาบัวลงไปเอาแม่ไปบวชอยู่ที่จันทบุรีคือให้คุณแม่ชีแก้วไปรับพาไปรับคือไปเทศอบรมให้โยมบรรดาของท่านให้ผู้หญิงเทศผู้หญิงเหมือนกันเถิดพอโยมแม่ท่านตกลงแล้วก็พาแม่ท่านไปจําบรรษาที่จังหวัดจันทบุรีหลวงปู่ล่ากับท่านอาจารย์สมหลวงปู่สมก็อยู่ด้วยกันที่ห้วยทราย เป็นปีพศ2498นะปีนั้นนะพศ2499เนี่ยท่านมาจำพรรษาที่ภูเก้านะจากนี้ไปประมาณสักสิบกิโลกว่าบันโคกลางหลวงปู่ล่าท่านมาอยู่องค์เดียวนะในถ้าถ้ภูเก้านะมาอยู่ภาวนาองค์เดียวที่นิยม มีดาของอาตมาเนี่ยโยมพ่อของอาตมาเนี่ยเป็นผู้รักษาศีลตั้งแต่โยมปู่โยมย่าโยมย่าก็เป็นชีโยมพ่อก็เลยคล้ายๆบอกเป็นผู้รักษาศีลภาวนาเห็นหลวงปู่ล่าอยู่องค์เดียวก็เลยไปอยู่ไปปฏิบัติท่านหลวงปู่ล่าก็เลยปีนั้นท่านก็ไม่อยู่ไม่ได้มีใครอยู่ด้วยโยมพ่อก็เลยไม่เคยบวชอระงี้นเย่ยเลยบวชเป็นตาผาขาว หลวงปูล่ลาก็เลยบอกเอ้ยมาบวช ด, ด้วยกันยมพ่ออยากจะบวชอยู่แล้วก็ทดลองดูก่อนว่าจะอยู่ได้ไหมก็เลยไปบวชเป็นตาปะขาวอยู่กับหลวงปู่ที่ภูเก้านะทีนี้สมัยอาตมาเป็นเด็กยังเรียนอยู่วันพระสมัยนั้นเขาหยุดวันพระนะโรงเรียนหยุดวันพระนะอาตมายังไปรักษาศีลที่ภูเก้าบางทีก็รักษาศีลแปดที่ภูเก้านะโอ้หิวหิวหิ ว, ห, วหมกัมกหักงั้นเถอะ แต่ก็ต้องรักษาศีลพอฟันลุ่งขึ้นก็กลับบ้านพอออกพรรษาเนี่ยโยมพ่อก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ท่านบอกโยมพ่อก็บอกว่าผมถ้าว่าหลวงปู่จะไปที่อื่นผมก็จะกลับบ้านแล้วก็จะลาสิขาผมคงไปด้วยไม่ได้ถ้าหลวงปู่จะไปอยู่ภูจุกอด้วยผมก็จะไปอยู่ภูจุกอด้วยทีนะนี้หลวงปู่ท่านก็หลวงปูล่ลาท่านก็เลย เอาทางนั้นก็ไปไปภูเจโก็ก็เลยปีนั้นแนหะปีสองพันห้าร้อยนั่นแนหะก็เลยมาอยู่ที่ภูเจโก็โยมพ่อก็ามาช่วงนั้นคงจะเป็นเดือนกุมภาเนี่ย น, นะมักราและกุมภาเนี่นนะมาอยู่ภูเจาก้พอถึงมีนาแต่ว่ากรงมาอยู่เนะ่ยพอตกลงมาอยู่หลวงปูล่ลาก็เลยบวช ให้โยมพ่อของอาตมาในเป็นพระบวชเป็นพระเป็นหลวงตาที่นี่หลวงตาแดงอะไรเงี้ยเถอะก็มาอยู่ด้วยกันต่อมาก็มีหลวงปู่เนาบ้านลูกปึ้งมาอยู่ด้วยต่อมาก็มีหลวงตาเทที่เป็นลูกศิษย์เก่าของหลวงปู่ที่เคยไปมาหาสู่กันมาบวช ด, ด้วยเป็นพระทีนี้อาตมาก็ พอเรียนจบป .4 เดือนมีนาพอจบแล้วก็รู้ว่าสอบผ่านแล้วก็เลยเข้ามาอยู่กับหลวงปู่นะสมัยนั้นพรรษาหลวงปู่ได้เพียง11พรรษานะอาตอมาก็ได้11ปีพอดีเพราะนั้นหลวงปู่เนี่ยถ้าจะว่าไปท่านก็บวชปี2488อาตอมาก็เกิดปี2488ดเหมือนกัน ถ้าอยากจะรู้จักพรรษาหลวงปูนะ่น่ยพรรษาหลวงปู่บวชนานเท่าไหร่เท่ากันกับอายุของอาตมาเัมนกันเลยปีนี้พรรษาของหลวงปูนะ่ห้าสิบเอ็ดนะห้าสิบเอ็ดพรรษาปีนี้ปีที่ผ่านมาเนะนี่ยนี่นะสมัยหลวงปู่มาอยู่ที่นี่ท่านมีพรรษาได้สิบเอ็ดแต่ท่านเป็นผู้มีมานะขยันมากหลวงปู่นะอดทน และเพ่งในวินัยมากๆถ้าใครทําผิดเนี่ยเราโอโ้โหพูดไม่รู้จบเลยล่ะเคารพในศีรษจารวัดการไปการมาการเดินการกิ จ, จวัตรอะไรทุกอย่างวันไหนถ้ามีธุระไปทางไกลมาไม่ได้ปัดกวาดท่านบอกว่าตั้งจิตอธิษฐานวันนี้ข้าพเจ้ายังเคารพกิ จ, จวัตรพ่อวัดไม่ละเลยท่านก็หยิบใบไม้ออกจากถนน หรือในวัด <c oughs> ท่านวัดอันนี้คือกิ จ, จวัตรประจําวันจะไม่ให้ขาดหลวงปู่ทําขนาดนั้นแล้วการบินทบาทหลวงปู่ก็ไม่เคยขาดมาอยู่ที่นี่บินทบาทจนไปไม่ได้จึงอยูอ่บางทีถ้าไม่ฉันจะได้ซ้ําไปถ้าไปไม่ได้นะหลวงปู่นี่เคร่งคัดมากๆสมัยเป็นหนุ่มเอาจริงเอาจังจริงๆเดินจงกรมของท่านเนี่ย ตอนเช้ามาแล้วกดลุกเดินอยู่กรมแหะตอนเย็นเดินอยู่กรมกลางคืนมีไฟเทียนโปะตะเกียงเล็กๆสองข้างเดินสี่ห้าทุ่มยังขึ้นกุฏิท่านมาอยู่ที่นี่ท่านเล่งความเพียรสม่ำเสม อ, อ, อความเพียรสม่าเสมอแต่เป็นสถานที่กันดารมากอย่างที่ลงปู่เล่าในประวัติของท่านนั่นแหละอะ แต่สำหรับเวลาตอนเช้านะอาตมาเป็นเนนน้อยที่บวชแล้วแต่ว่าก่อนบวชนี่นะพ่อเข้ามาอยู่วัดใหม่ก็ไม่มีใครมีหลวงตาอยู่สององค์มีแตยงหลวงหลวงพ่อกับหลวงปูนะ่อยู่ด้วยกันท่านี้พอเด็กอายุสิบเอ็ดปีเข้ามาอยู่ด้วยนะ่โอ้ว้าวเหว่ไม่มีอะไรจะเหมือนเลยนะคิดถึงบ้านเหมือนกันเถอะเออ คิดถึงบ้านอย่างมากๆเลยเออจนถึงก็ร้องไห้เหางันกันเถอะหลวงปู่ถามทําไมร้องไห้ทําไมให้ทําไมผมคิดถึงบ้านครับปูบ่เหมนหลวงปู่อาจะคิดถึงทําไมนั่งอยู่ข้างบนก็มองเห็นอยู่แล้วเนบ้านเนี่ยเออแล้วคิดถึงทําไมอีกไม่รู้ครับผมมันบ้าเบี้ยจริงๆเหมือนกนคิดถึงแม่ว่างอนนคิดถึงบ้านเหมือนนเออหลวงปู่ว่าไม่ต้องคิดถึง สมัยครั้งพระพุทธเจ้าของเราเนี่สมัมมาเนอายุเจ็ดขวบท่านภาวนาท่านยังสําเร็จพระลาหารได้เราทําไมอายุสิบถึงสิบเอ็ดปีแล้วเนี่ยอืมไม่ต้องคิดถึงเดี๋ยวเอานังสือให้อ่านทันว่านะท่านก็เอานังสือนะวะโกวาดนี่ให้อะท่านติดมาด้วยหนังสือนะวะโกวาดท่านให้อ่านเสขคียวัตร เ, เสขคียวัตรวัดที่ภิกษุสัสมนเนนจะต้องศึกษา เรียกว่าเสขียวัตรเสขียวัตนั้นจัดเป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสารูปอันนี้ท่องมาจากนู่นเลยจำมากระทั่งทุกวันนี้นะยังว่าหลวงปู่ของเราเนี่เวลาเวลาใครจะบวชก็ตามท่านให้สัมมาเรนท่านให้ท่องเสขียวัตรเสขียวัตรวัดที่สัมมาเรนจะต้องศึกษาเรียกว่าเสขียวัตร เจคีวานันจจ์เป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสารูปหมวดที่สองเรียกว่าโภชนาปฏิสังยุตตหมวดที่สมเรียกว่าธรรมเทสนาปฏิสังยุตตหมวดที่สเรียกว่าภกินิกะสารูปที่หนึ่งมิยิบุกหนึ่งสองสามมณีพึ่งทําความศึกษาว่าเราจะนุ่งผมให้เรียบร้อยสาสี่สามเณีพึ่งทําความศึกษาว่าเราจะปิดกายด้วยดีไปนั่งในบ้านอย่างนี้แหละนะคือคือเป็นมารยาทของสามมณีหรือของพระ ถ้าเป็นพระก็ว่าพิกูจจะต้องทำความศึกษาว่าแต่นี่นสมัยนั้นเราเป็นเนนท่านบอกว่าสัมมเณรเพิ่งทำความศึกษาว่าเราจะมีตาทอดลงไปนั่งในบ้านทั้งไปด้วยทั้งนั่งด้วยในบ้านนะมันมีเป็นสองใช่ไหมเออสัมมเณรเพิ่งทำความศึกษาว่าเราจะไม่หัวเราะเสียงดังไปนั่งในบ้านสัมมาเณรเพิ่งทำความศึกษาว่าเราจะไม่ไวไวแขนอย่างเนี้ย ไปนั่งในบ้านไปในบ้านเราจะไม่พูดเสียงดังไปไปนั่งในบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปก็เป็นโภชนาปฏิสังยุตเราจะฉันบินทบบาทโดยเคารพเมื่อฉันบินทบบาทเราจะแครดูแต่ในบาทเราจะไม่ขุดเข้าสุกไม่แบ่งเราจะฉันแกงพร้อมสมควรแก่ข้าสุกเราจะไม่ขยุ่มข้าสุกแต่ยอดตรงไปเราจะไม่ฉันแลบลิ้น เราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันดังสู้สู้เราจะไม่สันเลียมือเราจะไม่สันขอดบาดเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่เอามือเพื่อนจับพาชนะน้ำอันนี้คือหลวงปู่ท่านให้ท่องนะแต่ท่องเพียงสองวันะจบเสกียวัตรก็ไม่คิดถึงบ้านใช่ไหมถ้าปล่อยให้คิดถึงบ้านมัไม่ได้คิดถึงบ้านมีแต่ความว้าเวิ่งก็เลยเอาหนังสือท่องเลยท่องท่อง่อ่อจากนั้นมาท่านก็ให้ท่อง เอสาหังพันเตที่จะบวชเป็นสัมนเนนนั่นน่ะอยู่กับหลวงปู่จากนั้นมาก็ได้ไปบวชวันเข้าพรรษาที่อําเภอหนองสูงสมัยนะั้นหลวงปู่แก้วขันติโกเดินไปนะ้ามามีไม่มีรถไปหรอกมีแต่ทางเกวียนนะั่นน่ะไปเดินจากนี้ไปประมาณสักเกือบยี่กิโลมังจากนี้เป็นหนองสูงะ่ะอเดินไปสมัยนะั้น ไปบวชเป็นสั ม, มนเนนจากนั้นมาก็กลับมาจำบัญสาปูเจ้ากอบปีพศ2550มาอยู่ที่นี่แต่หลวงปู่ท่านสอนเนนสอนพระท่านตั้งอกตั้งใจสอนจริงๆอสอนแบบปู่สอนหลานมางั้นเถอะทําให้ดูด้วยแสดงกิริยาท่าทางให้ดูด้วยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอได้ความทระเห็อดทนของท่านนี่เหลือจริงๆมางันเถอะ อย่างตอนเช้าเนี่ยอาตมาตื่นมาแล้วก็ขึ้นมาละมารับบาทท่านท่านก็จะเอาบาทของท่านเนี่ยไปวางไว้โขดหินก้อนหนึ่งอยู่ที่หน้ากุฏิประมาณสักห้าถึงสิบเมตรนี่นะมันมีก้อนหินอยู่ทางลงนั่นแนะท่านก็ไปวางไว้เวลาพระเนเนเนี่ยจะไปจับบาทจะไปยืนโกงโก้เนี่ยจับไม่ได้นะเวลาจับต้องนั่งจับแล้วก็เอาบาทค้องคอแล้วค่อยลุกขึ้น หือก่อนจะนั่งก่อนจะรับบาตต้องนั่งซะก่อนอันนี้คือหลวงปู่ให้เคารพในบริการท่านว่าบริการอัตราบริการนั้นเป็นของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ของเราทำไมเพราะฉะนั้นเราจะไปจับแบบไม่เคารพไม่ได้ท่านว่างา น, นเพราะนั้นเวลาจะจับบาต ท, ท่านต้องนั่งซะก่อนแต่ยิงเอาจับบาตขึ้นมาค้องขอทีนี้อตาตมามตัวเล็กใช่ไหมอายุสิปีหลวงปู่ก็ตัวใหญ่สิ่ไหทีนี้ท่าน ก, ก่อนที่ท่านจะเอาบาตเนี่ยท่านก็มัดมัดสายทบไปทบมาซะก่อนใช่ไหม เอาเชือกมัดทบไปทบมาซะก่อนแต่งก็ไปวางไว้จากนั้นมาอตมาก็คล้องคอไว้ยังอยู่อยู่ที่นี่ได้ใช่ไหมตัวเล็กๆน่ะพอลงไปพอลงไปก็หลวงหลวงพ่อเนี่ยนะเป็นคนเช็ดบาทอะไรให้ท่านอพอเช็ดบาทเสร็จแล้วทําไมนั้นไม่มีนาฬิกาน่ะนาฬิกาน่ะไม่มีหลวงปู่นี่ทำไมท่านจึงเอาไปไว้ที่นั่นพอเอาไว้เสร็จแล้วท่านเดินอยู่กลมของท่านเลยนะ คือไม่ให้กวนท่านยุงกรมของท่านท่านเดินยังกรมแต่เช้าเลยเอามาวางไว้ที่ทางเดินเดินเดินยังกรมของท่านเอพอได้เวลาท่านก็คล้องผ้าจากข้างบนท่านก็เดินลงไปพวกเราพอจัดบาทเสร็จสมัยนะั้นก็เป็นพื้นไม้ไผ่สาลาที่อยู่หัวฉันเดี๋ยวนี้ทําความสะอาดมันก็ไม่ยากไม่ได้เช็ดถูอะไรเพียงแต่กวาดหน่อยฝุ่นเมื่อหลุดลงหมดเพราะาเป็นไม้ไผ่เรียงอย่างงี้ทำความสะอาดง่ายกระโถนก็กระโถ น, นไม้ไผ่นะสมัยนั้นก็บอกไม้ไผ่ยาวๆกตัด เวลาเดินไปก็ไม่ได้มันมันล้มนะต้องนอนอนั่นแ่ะล้มปูของเราอยู่ด้วยความลําบากขนาดนั้นทรมโหารดางงานเถอะอต้องนอนเอาไว้เวลาจะใช้จริงๆเวลานั่งจำที่เสร็จแล้วก็ยังยกกระโถนขึ้นมาตั้งแล้วก็มีอะไรก็ยัดลงในกระโถนที่เป็นเศษอาหารหรือเป็นใบไม้ที่เขาถอมานะโดยมากก็ไม่มีใครตามขึ้นมาหรอกนานๆจะมีคนขึ้นมาทีหนึ่ง เลวลาเวลาเวลา ป, ปีบินทานบาทเราก็พายบาทของท่านไปก่อนพอไปถึงบ้านท่านก่อนเข้าไปก็รับบาทพอรับบาทกลับมาบางครั้งท่านก็คลอ น, น้ําเห็นไมไม้มคลอของท่านานะไหนแต่อาตมาก็ตะาพายบาทท่านก็มัดสายขึ้นมาคนใส่บาทก็ไม่เยอะสมัยนั้นก็พ้อมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงขนาดหนักอาตมาเป็นเนรก็ยังรับได้อยู่สอบบาทสองลูก พอรับขึ้นมาท่านก็คอน้ําใส่ปิ๊บเต็มปิ๊บเลยนะขอนขึ้นมาบนเขาเนี่ยนั่นท่านจึงเอามาพูดเสมอๆบอกว่านี่สมัยเรามาอยู่ภูเจ้าก้อใหม่ๆลําบากขนาดไหนท้องคอน้ําขึ้นเขาทั้งอะไรเอปีนเขาปะปีนป่ายทั้งหกทั้งล้มท่านว่างั้นนะลูกหลานที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยมันสะดวกสบายถึงขนาดไหนยังมาบ่นว่าลําบากอยู่ มันไม่มีความอดทนเลยทว่างกันเออเรามาอยู่สมัยก่อนนะเราทําขนาดไหนทำงางกันนะแต่มาลูกหลานมาอยู่ทุกวันนี้ทําไมหาความอดทนไม่ได้ทำ่านกันนะเอออันนี้ถือคือท่านให้กาลังใจแก่ลูกหลานพระเนนที่มาใส่ท่านคือขั้นเกล้าประวัติความเป็นมาให้ฟังนี่แหละความเป็นมาของหลวงปู่ของเราท่านเป็นผู้อดทนขา ย, ยานัน มีมานะแล้วก็เป็นผู้ใฝ่การศึกษามากนะหลวงปู่ถึงจะมาอยู่ที่นี่ไม่มีหนังสืออ่านแต่บางทีท่านไปมุกดาหารท่านก็ไปยืมหนังสือจากวัดศิลาวิเวกพระไตรปิฎกเอามาอ่านมาศึกษาในช่วงเหนือธรรมาก็อยากจะไปเรียนหนังสือเหมือนกันนะเห็นหมู่พวกเพื่อนจะไปเรียนหนังสือได้นักธรรมตรีโทมาอวด คือไปเรียนที่วัดโพธิสมพรน่นนะสมัยนั้นเพราะมีญาติเขาไปเรียนอยู่กับเจ้าคุณธรรมเจดียทีนี้เราก็อยากจะไปเรียนเหมือนกันแต่หลวงปู่ลาบอกว่าอย่าไปเรียนเถอะทานเรียนแล้วเดี๋ยวใจจะแตกเดี๋ยวเขาจ ะ, ะหาหนังสือมาให้อ่านท่านก็หาวินัยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสมแล้วก็พระไตรปิฎกธรมรมปฏทัทะกถา หนังสือธรรมะบุปผสิกขามหาขันธ์ท่านขนมาให้อ่านให้หมดศึกษาเลยรแาบนั้นเถอะแล้วไม่เข้าใจตรงไหนยังไงให้ถามท่าน อ, อรู้สึกพระวินัยที่ท่านละเอียดละออมากหลวงปู่ของเราเนี่ย อ, อละเอียดมากศึกษาสิกขาบทไหนถามพิจารณ์ออกมายอมรับเลยเพาะหลวงปูเ่เป็นผู้ละเอียดเกี่ยวกับวินยัยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศีลวินัยมีอยู่ตราบใด ศาสนาของตถาคตก็มีอยู่ตราบนั้นท่าว่าเงินข้านว่ า, าพระภิกษุสงฆ์ไม่มีศีลวันนี้นะลุมกังเกงหมดซะศาสนาก็หมดในวันนี้ท่านว่าเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนําเรื่องศีลศีลของพระศีลของสัมมาเนนให้อยู่ในกรอบแต่เรื่องภาวนาของท่านก็เหมือนกันท่านเอาจริงเอาจังท่านแนะนํา อาตมามาอยู่ที่แรกท่านกับภาวนาเนี่ยให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะพร้อมกับบริกรรมว่าเกิดดับอ่ะอันนี้เป็นเต็มที่เป็นหลวงปู่สอนที่แรกนะเราถามว่าทําไมหลวงปู่จึงให้ว่าเกิดดับมันเกิดดับมันเป็นอนิจจังมันเป็นใจลักษณ์ในตัวด้วยเอางี้เกิดดับหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับบริกรรมเอ่ ให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกทัน ห, หายใจเข้าคือความเกิดหายใจออกคือความตายความเกิดดับเกิดดับเกิดดับให้เห็นอ น, นิจจังไปด้วยตามว่า ง, างันนะเอออันนี้คือหลงปู่สอนจากนั้นมาก็ท่านก็สอนให้กรรมฐานสี่สิบแล้วแต่ทัศนั์อันไหนก็ให้ภาวนาอันนั้นตามว่า ง, างันนะเอออย่างพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นต้นอืม สีลาจาคติวตามรณะนุสตินะคือกรรมฐานสี่สิบนี่นะท่านบอกว่ากรรมฐานทุกกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไวนะ้พอประมาณถ้าหาว่าท่านผู้ใดอุปนิสัยจริตถูกกับกรรมฐานไหนก็ให้เอากรรมฐานนั้นมากำหนดอย่าเป็นผู้จับจดทันว่างั้นนะ เ, ออเดี๋ยวคนนั้นบอกภาวนาอันนั้นดีก่อนเราก็โดดไปเอาก ร, รมมาฐานนั้นภาวนาแล้วก็เอาคนนั้นบอกก ร, รมมาฐานมาภาวนานอย่างนี้ดีเราก็ไปเอากรรมาฐานของเขาขมาภาวนาผลที่สุดกรัรมมาฐานหรือจิตของตนเองเลยไม่สงบเพราะว่าเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกอยู่เรื่อยพอปลูกขึ้นมาแล้วก็ถอนแล้วก็ปลูกใหม่แล้วก็ถอนต้นไม้ไม่โตธนวงอน เพราะนั้นเวลาเราภาวนาเราจะยึดอะไรกรรมาฐานใดเป็นหลักพุทธานสุสติธรรมมาสังขารีราจาคะมรณะานสุสติก็ให้ยึดให้แน่นแล้วภาวนาเป็นยังไงจิตใจเข้าสู่ความสงบไหมนี่แหละท่านสอนอย่างนั้นหลวงปู่คือพยายามทำจิตให้สงบสมาธิคือทำจิตให้สงบ ทำจิตให้เป็นหนึ่งในหลักก็มีอยู่สองอย่างสมาธิคือความทำจิตให้สงบวิปัสสนาคือใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะดูสังขารร่างกายของคนเราว่ามีอะไรบ้างนี่แหละคือศีลสมาธิปัญญาโดยมากหลวงปู่จะเน้นเรื่องศีลศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิทำอางั้นถ้าว่าศีลของเราดีเอ่อ เราหาที่ตาหนิในศีลไม่ได้เมื่อภาวนาจิตก็เข้าสู่ความสงบไปไ็นง่ายๆทางานเมื่ออยู่ภูผาป่าไม้จีแรกนะมาอยู่ที่นี่ท่านหลวงปู่ของเราตอนที่จะปัดสวะอะไรเนี่ยท่านต้องหาที่หาทางเลยเท่านบอกว่าควรจะทำที่เป็นจุดเป็นที่เทวดาอารักษ์อยู่แถวนี้จะดูไม่ดี ทาว่างนันต้องขอรบต่อสถานที่ถทางว่างันนี่แหละล้มปู่สอนหลายๆอย่างเกี่ยวกับการไปอยู่ในสถานที่ต่างๆตลอดถึงการนั่งสมาธิภาวนาตอนเช้าก็อย่างที่ว่านะ่ะก่อนบินทบบาทพระเนพะเนพระเนี่ยต้องเดินยมกรมก่อนก่อนที่จะออกบินทบบาทพอจัดสลาเสร็จก็เดินยมกรมแลพอเดินยมกรมเสร็จได้เวลาก็ออกบินทบบาทพอออกบินทบบาทกลับมากมาฉัน ฉันเสร็จขึ้นมาแล้วก็มาเดินจงกรมอีกครั้งหนึ่งเ อ, อจากนั้นก็ถ่องหนังสือและพักผ่อนอะไรก็ตามอัธยาศัยตอนบ่ายๆก็เดินจงกรมเ อ, อเรื่องโกโ ก, โก้โกาแฟไม่มีหรอกไม่มีเลยสมัยนั้นเหมือนกันเถอดยางเก่งก็ต้มอะไรแกนแกนไม้นางหวานนะอยากจะให้มันหวานก็ไปหาไม้มีไม้ชนิดหนึ่งอยู่ในป่านี่เรียกว่าต้นานางหวานเอามาได้แล้วก็มา เอามาติ่งไฟพ อ, อหมัดมาดเนี่ขามาต้มรู้สึกมันหอมดีนะแล้วก็มีรสหวานเท่านั้นแหละที่จะเป็นน้ำตาลอะไรได้น้ตานออนตาลน้ำอ้อยน้ําตาลน่ไม่ต้องคิดถึงเรงื่องงันเถอะสมัยนั้นนะจะมาเห็นสมัยนี้โอ้โหรู้สึกเจริญรุ่งเรืองมากๆมาเห็นแล้ว เ, เป็นพบบา ร, รมีของหลวงปู่แท้ๆไม่คาดไม่คิดเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ นี่แหละลงวงปู่สอนเรื่องสมาธิท่านเน้นหนักให้ทำจิตให้สงบนี่แหละเป็นพื้นฐานถ้าจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็จะพิจารณาทางด้านปัญญาหรือไม่แต่จะพิจารณาทางย่ำด้านปัญญาเลยก็ได้พิจารณาแยกะดูร่างกายสังขารของเรานีน่ะร่างกายของสังขารของเรามีอะไรบ้างร่างกายอั น, นี้มี เกษาคือผมโลกมาขนนาคาเลพันตาฟันตะโจหนังออท่านให้แยกแยะดูร่างกายสังขารอันนี้ทว่ า, านั้นนะออถ้าหากว่าเราเมื่อจิ อ, อใจของเราสงบเป็นหนึ่งนะคือจิตทำจิตให้เป็นสมาธิสมาธิเนี่ยมีอยู่สามสามขั้นนะ คณิกะสมาธิเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วกำหนดลมหายใจให้มีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกการกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่นะบางท่านมากาหนดอย่างไรคือกาหนดถ้าเราไม่รู้สึกแล้วว่ากาหนดไม่อยู่ทีแรกแล้วเราหายใจแรงๆเลยนะสืบหายใจเข้าแรงๆแล้วหายใจออกแรงๆมันกระทบที่ไหน ลมกระทบที่ไหนให้เอาสติจับอยู่ที่จุดนั้นหายี่อยู่ที่ปลายจมูกที่จุดนั้นล่ะตั้งสติอยู่ในจุดนั้นหรื อ, อหายใจเข้าพุทธเรกกาก็ุจะบริกรรมพุทธก็ได้หายใจออก โ, โทจับริกรรมพุทธโทพุทโทก็ได้หรือหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับก็ได้หายใจเข้าทำรมโมหายใจออกทำโมก็ได้หายใจเข้าสังโฆหายออกหายใจออกสังโฆก็ได้ สุดแท้แต่จริตของใครจะถูกกับอะไรแต่ไม่ต้องตามลมเข้าไปและไม่ต้องตามลมออกมาเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูนะการภาวนากำหนดลมเนะี่ยเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูคนออกก็ให้รู้ว่าคนออกคนเข้ามาก็ให้รู้ว่าคนเข้ามาไม่ต้องตามคนเข้ามาและไม่ต้องตามคนออกไปให้ยืนอยู่ข้างประตู อ, อันนี้ก็เหมือนการให้เอาสติจับอยู่ที่ปลายจมูกลมกระทบอยู่จุดไหน ให้เอาสติจับอยู่จุดนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปในปอดหรือในท้องหรือไม่ต้องตามลมออกมาให้จับอยู่จุดนั้นต่อไปจิตก็จะเข้าสู่ความสงบสงบขั้นแรกมันจะวับแต่ความหมายทางนี้ท้งนั้นก็เราไม่ต้องคิดนะมันแวบมันวับอะไรกอันนี้เพียงแต่บอกว่ามันจิตสงบมันเป็นยังไงมันจะมีความเย็นเข้ามาเป็นชั่วขณะขณะจิต อันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิไอ้คำว่าวจิตมันเข้ามาสู่หาตัวเองเป็นช่วงคู่ชั่วขนาดอันนี้คณิกะอุปจารสมาธิเมื่อจิตสงบเข้าไปลงไปส่วนหนึ่งสติกับกจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่ายังได้ยินเสียงภายนอกอยู่นะยังได้ยินเสียงโน้นเสียงนี้อยู่แต่ว่าจิตไม่ฟุ้งไม่โฟงไปข้างนอก คืออาสติควบคุมอยู่ดูว่างั้นเถอะจิตไม่โปรง่งไม่ไม่ฟุ้งไปข้างนอกเอจิตเย็นสบายอันนี้ะอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยถ้าวัฏธรรมจิตได้อย่างนี้เนี่ยจะพิจารณาทางร่างกายพิจารณาทางวิปัสสนานี่ได้ดีจิตอุปจารสมาธิเนี่ยส่วนอัปปนาสมาธิมันจะดิ่งลงไปเราจะนั่งจะไม่รู้สึกว่าเราอยู่นั่งในสถานที่ใด อาการอย่างไรเราจะไม่รู้จักมีทัศน์ติกับจิตแนวอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้เราอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิถึงท่านผู้ใดจะทําขนาดไหนก็ตามนะก็มีขอบเขตอยู่เพียงนี้แหละคือคณ้กับอุปจาระอัปปนามีอยู่สามขั้นเท่านี้ส่วนปัญญาวิปัสสนานนั้นกว้างขวางมากนะวิปัสสนาเนี่ยส่วนสมาธิมีอยู่สามเพียงแค่นี้ คือทำจิตให้เป็นหนึ่งก่อนที่จะทําจิตให้เป็นหนึ่งนี่นะถ้าจะว่างไปถ้าเรามีความพยายามอยู่มีความที่จะทําจิตให้สงบอยู่ไม่เหลือวิสัยไม่เหลือวิสัยไปได้ต้องสงบสักวันหนึ่งให้ได้คือพยายามทําให้ต่อเนื่องมีความสนใจมีความพยายามคือเวลาใดช่วงไหนที่มันว่างต่อหน้าที่การงานเราก็พยายามทํา กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกภาวนาพุโทโธพุโทโธอะไรก็ได้แต่อาัตามาขอแนะนําอย่างหนึ่งนะเอออัตามาเคยแนะนําให้ญาติโยมผู้เริ่มปฏิบัติให้ภาวนาเนี่ยการภาวนาเนี่ยจกบริกรรมอะไรก็ได้แต่ทําเพียงต่ว่าจิตให้สงบพยายามทําจิตให้สงบจะทํายังไงจริงจิตจริงจงสะสงบได้อันนี้คือ คือกรรมาฐานมันจะทำจิตให้สงบให้ได้เนี่ยทีนี้พวกเราเคยชินต่อการนับนับตัวเลขนะเคยชินต่อการนับตัวเลขเวลาเรานั่งภาวนาเนี่ยให้เรากำหนดหายใจเข้านะให้เรานับวันหนึ่งนะหายใจออกให้เรานับปันสอง หายใจเข้าสามหายใจออกสี่หายใจเข้า 5, ห้าหายใจออก 6, หหายใจเข้าเจ็ดหายใจออกแปดนับไปถึงร้อยนะแล้วก็ย้อนนับมาที่เก่า อ, อีกอ่าถ้าหากว่าเราเผลอจุดไหนอย่างที่ว่าหายใจเข้าสามสิบเอ็ดหายใจเข้าสามสิบสองหายใจออกสามสิบสามอย่างนี้แปลว่าจิตเราเคลื่อนและจุดนั้นเผลอแล้วสติเราเผลอและจุดนั้น เพราะว่ามันหายใจเข้าเป็นเลขขีนหายใจออกมันเป็นเลขคู่น like like like you like ี่ใช you know you ่ไหมถ้าว่าเราเผลอถ้าว่านั้นย้ำกับเผลอไปแล้วอื่แปลว่าเราขาดก็ต้องตั้งใหม่อีกหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่แต่เราจะไปแต่งลมนะไม่ได้นะแต่งลมในไม่ถูกคือหายใจเข้าตามปกติแต่เพียงเรานับให้มีสติในการนับหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสาม หายใจออกสี่หายใจเข้าห้าหายใจออกหคือให้มีสติธรรมดาธรรมดาอย่าไปแป่งลมไม่ใช่ว่าหายใจฟูดฟาดฟูาดนับหนึ่นับสองว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ถูกเออการเริ่มภาวนาครั้งแรกนะเออบางคนบางท่านบอกว่ามันก็เคยชินอีกเอาถ้ามันเคยชินกันนับถอยหลังดูสิอ่าหายใจเข้าร้อยหายใจออกเก้าสิบเก้าหายใจเข้า เก้าสิบแปดท้ายไกลออกเก้าสิบเจ็ดนับถอยหลังเลสิถ้ามันจะเก่งขนาดนั้นมาเนี่ยรามีหลายวิธีในการการภาวนาคือพยายามทำจิตให้สงบทำยังไงเทมแต่ทำจิตให้เป็นหนึ่งได้นะเมื่อจิตของเราเป็นหนึ่งสมาธิดีแล้วจะพิจารณาทางด้านปัญญาด้านปัญญาก็คือพิจารณา อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือพินาร่างกายของเราเนี่นะเกษาผมเราแยกผมอมกส่วนหนึ่งโลมาขนแยกข น, นส่วนหนึ่งน้าขาเล็บคันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ากระดูกแต่ละท่อนท่อนวางเรียงราดกันอยู่นะนผมก็กองหนึ่งหนังก็กองหนึ่งกระดูกก็กองหนึ่ง ลับไตไส้พุงออกเป็นเป็นคนละกองละกองแล้วถามดูซีสเน่อะไรเป็นของเราน่ารักใคร่น่าชอบใจไหมในสิ่งเหล่านั้นนะน่ารักจะใคร่ไหมผมขนเล็บฟันหนังจากนั้นก็ย้อนถามดูจิตของเราน่ารักใคร่ชอบใจไหมว่าเป็นของเราไหมมันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเราร่างกายอันนี้ไม่ใช่ของเรา มันเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจของเราไปผูกไปมัดไปรัดไปลึงมันจนหลงลืมไปแต่งไปแต้มมันจนหลงหลงสังขาร่านว่างนันนะเออนี่ยร่างสังขารร่างกายของคนเราไม่มีอะไรพราะพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายสังขารนไม่ใช่ของเรานะเป็นอนาตาัตตาไม่ใช่ตัวตนถ้าใช่ตัวตนเราก็บอกท่านอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะ เราบอกได้ไหมเราบอกไม่ได้เราบอกไม่ได้ใช้ไหมฟังแต่จิตใจของเราเนี่ยนะไปยึดไปถือมันเท่านั้นมันยังเกิดมีราคะโทสะโมหะขึ้นมาแต่ตามพิมพ์นึงถ้ามีพิจนาทำตามรำแล้วร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนกันว่บบางงินบอกไม่ได้ใช้ไหมฟังอีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้องแตกสลายไปอย่างลุงปู่ของเราเนี่ยแหละลุงปู่ของเราที่เป็นเคารพที่เป็นที่เคารพนับถือของพวกเราทั้งหลายเนี่ย ท่านก็อยู่ตกอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่ว่ามาเนี่ยนะทางว่าหลวงปู่ของเราบอกว่าว่ า, าเป็นร่างกายของท่านท่านก็บอกเนะลยร่างกายอย่าตายนะนะมันก็อยู่อันนี้หลวงปู่ใช้ไม่ได้เหมือนกันบอกไม่ฟังเหมือนกันไหลไปตามสภาพก่อนนั้นพวกเราพุทธบริษัทลูกหลานของหลวงปู่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ควรพิจารณาพิจารณาถึงความตายของตนเองนั่นนะเอย่า ประมาดพิจารณาถึงความตายวันละห้าครั้งก็ยังดีนะพิจารณาถึงความตายของตนเองวันละหครั้งก็ยังดี เ, ออเราจะไม่หลง เ, ออเราจะหักรักขักโงงในสงสารได้มากทีเดียวถ้าหากว่าเมื่อใดเราคิดว่าตัวเองจะไม่ตายนั่นแหละมันจะมีความหลงออกิเลสราคะโทสะโมหะก็จะพอกพูนขึ้นอย่างมากๆแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาถึงความตาย มรณ ะ, ะเมภาวิสติอยู่เสมอเสมอนะเราจะต้องตายเราจะต้องตายอย่างนี้เป็นต้นนะเอกิเลส ต, ต่างๆมันก็จะไม่กุ้มรุ้มในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นลูกศิษย์ลูกหลานหลวงปู่พยายามภาวนานะหลวงปู่มาเท่ไรหลวงปู่ต้องต้องสอนใเรื่องภาวนานี่ยนะภาวนาในสําคัญนะหลวงปู่เคยเล่าเคยบอกให้พวกเราฟังอยู่ไม่ใช่เหรอ ท่านบอกว่าให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลร้อยครั้งบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาจิตสงบครั้งหนึ่งไม่ได้หลวงปู่เคยสอนพวกเรานะในสิ่งมูนีคงได้ยินพูดบ่อยๆด้วยหลวงปู่น่ะอือัตมาสมัยเป็นเดนก็มากราบท่านทีไรท่านก็พูดเสมอๆในเรื่องเนี้แต่ว่าศีลให้ทานเนี่ย แต่ตามพื้นจริงเป็นการเสียสละเนยะตามพื้นจริงมันน่าจะยากนะมันชิ้นเฟืองของเราที่หาด้วยความยากลําบากแต่ชาวพุทธของเราเนี่ชอบในการให้ทานทําบุญให้ทานทําให้จิตใจเย็นสบายแต่พอมาถึงรักษาศีลเนี่รู้สึกจะไม่เอาแล้วออถอยกูดกุดอะไรเงี้ยเถอะรักษาศีลไม่ชักจะชอบเท่าไหร่พอมานั่งภาวานาเนี่โอ้โหรู้สึกว่ามันเวลานยาวนานเหลือเกินเนี นาฬิกาเคยเดินเร็วกว่าช้าว่างั้นเถอะเออนาฬิกาเคยเดินเร็วกว่าช้าเออพอนั่งพอนาทั้งที่นั่งเวลานั่งพอนาเราก็อยู่นั่งในที่ร่มเย็นสบายบางท่านก็อยู่ในห้องแอร์ช่วยซ้ำไปเออที่นั่งก่อนนุ่มเออแต่พอนั่งพอนาไม่ถึงสิบนาทีเออโดยมากเป็นอย่างนั้นทําไมแสดงว่ากิเลส ข, ของเรามันอยู่ในจิตใจของเราเนี่มันมาก เอมันฝืนนะการภาวนาเนะี่ยมันดูจิตดูใจดูตัวกิเลสมันโตสู้กับตัวกิเลสชัดๆเลยเอมันฝืนถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับพยายามให้ดันน้ําคือดันอของกลมๆ ก, กิ่งครกขึ้นภูเขาอย่างนั้นนะอ่ะอมันสู้กันถ้าหาว่าเราดูหนังดูละครดูหมอลำซิ่งหรืออะไรในลักษณะนั้นอนะ่ะเท่าไร่เท่ากันนั่งชั่วโมงหนึ่ง เออพ็บเดียวเท่านั้นเองเออทานดูหนังโทรทัศน์อะไรก็ตามมันแพ็บเดียวอันนี้คือว่ากิเลสกิเลสมันชอบไปทางต่ำสิ่งใดที่เป็นทางต่ำกิเลสชอบของเราเนี่ยจะชอบไปในทางนั้นเออที่ใดที่เป็นธรรม เ, ออเป็นธรรมเป็นวิ น, นัยกิเลสจะไม่ชอบเหมือนกับคนไข้คนไข้ชอบกินแต่ของแสลงสิ่งใดที่เป็นของแสลงเนี่ยชอบสิ่งนั้นแต่ยาที่ผมขมนะ่ไม่ชอบ แต่ถ้าหากว่าพวกเรารู้ว่าเราเราเป็นไข้ถึงจะเป็นยาขมก็ตามแต่เราฝืนทำรรนะอดกัน้นฝืนทรรมใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรใช้ความพยายามออพยายามกินยานะโรคในกายของเราก็หายอันนี้ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเนี่ยนะคือยาขนาดหนึ่งถ้าว่าเราไม่พยายามเราไม่ฝืนนะ เราไม่ต่อสู้เราไม่อดทนเราก็สู้กับกิเลสภายในใจของเราไม่ได้กิเลสของเราก็จะดึงไปทางต่ําเสมอใจของเรานเหมือนเก้าอี้ตัวหนึ่งบางทีก็กิเลสตัวกิเลสขึ้นบัญชาการเห็นอะไรก็โกรธเกลียดรักชังไปหมดธรรมจะขึ้นไปบัญชาน้อยแต่ถ้าว่าพวกเรามีความพยายามพยายามทําจิตให้สงบอยู่เสมอๆธรรมก็จะขึ้นไปนั่งอยู่บนเก้าอี้นั้นจิตใจก็จะเย็นสบาย คิดอะไรก็เป็นธรรมไปหมดเอพทษอะไรก็เป็นธรรมคิดอะไรก็เป็นธรรมจิตใจก็เย็นสบายมีความสุขมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็เย็นสบายไปด้วยเอเห็นเพื่อนเห็นฝูงก็เย็นสบายลูกเต่าเหล่าก็เย็นสบายไปด้วยถ้ากิเลส ข, ขึ้นบัญชาเนี่ยนะเดือดร้อนไปหมดเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องพยายาม สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลในจิตในใจอย่างที่หลวงปู่ของเราเนี่ยทามาเนี่ยนะพวกเราได้อ่านประวัติของหลวงปู่แจกแล้วแจกอีก น, นะตั้งแต่ริเริ่มท่านบวชมาท่านเป็นยังไงจนถึงมาปฏิบัติเป็นผู้มีขันติเป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้มีความพยายามจริงๆริงเพราะฉะนั้นอาตมาจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้แล้วก็ขอเตือนพวก พระเนนทั้งหลายที่เป็นน้องๆจะว่าน้องก็ได้นะแต่ยกเว้นครูบาอาจารย์สองท่านหลวงปู่อุ่นของเราแล้วก็หลวงปู่ทำพระนางวัวของเราเนี่ยอันนี้เป็นครูบาอาจารย์นอกนั้นแล้วก็รู้สึกว่าอายุพรรษาจะน้อยกว่าอาตมาจะว่าน้องๆก็ได้พระบุตรทีหลังก็ให้ตั้งอกตั้งใจยกเอาเป็นตัวอย่างหลวงปู่ในหลับเป็นตัวอย่าง ไปอยู่ในสถานที่ใดอย่าไปกลัวความอดความอยากออไปอยู่ในสถานที่ใดบางท่านบางองค์บวชเข้ามาแล้วอยู่ไม่ได้นานเออทะเลทรายเที่ยวนู้นเที่ยวนี้ไปนู่นไปนี้อันนี้ไม่ดีบวชเข้ามาแล้วควรจะศึกษาเราเห็นว่าเราควรจะศึกษาอย่างไรกับครูบาอาจารย์นะ เ, ออเราก็ตั้งอกตั้งใจศึกษาจริงๆ เมื่อมีอายุภรนษาแล้วเราจะไปที่ไหนก็ได้ไม่ขัดข้องออพอลงปูดเราจะไปที่ไหนลงปูดก็พยายามพูด อ, อ, อย่าไปนาออมันแตกนามันแตกออกนาท่านก็ไปสอนอยู่อย่างนั้นเสม อ, อ, อแล้วก็เคยท่านเคยพูดในช่วงหนึ่งอายุสิบเจ็ดปีนะอาตอมาเป็นสัมเาณีนะข่าวนั้นจิตใจ รู้สึกใจิตใจเร่าร้อนมากว่างั้นเถอะถ้าจะว่าไปคือมันอยากจะสึกน่ ะ, ะแต่ไม่กล้าพูดกับหลวงปู่แต่เออทาไมมันทําไมเป็นอย่างนี้จิตใจมันทำไมอยากจะสิบมากๆทั้งที่ภาวนาอยู่จิตใจมันร้อนถึงวันหนึ่งก็เลยอดไม่ได้เข้ามาหาหลวงปู่หลวงปู่ครับผมอยากจะสิบมากหลวงปู่ว่าสึบทําไมท่านก็เทศอบรมให้ฟัง การสึกเป็นครวาญ น, นะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นมากมายแต่มาสรุปแล้วมันจะเป็นเครื่องสะดุดใจก็คือว่าเมื่อสึกไปแล้วนะเราเป็นลูกชาวไร่ชาวนาจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตของเขาเขาก็รักชีวิตของเราเราก็รักทําไมเราจึงไปฆ่าเขามากินเออลือดฆ่าเขาทิ้งอืมเนี่ยมาถึงจุดนี้มันรู้สึกว่าสลดสลดใจ อค่ากบค่าเกียดติา่าปูค่าปลาค่าไปหมดที่จะเป็นอาหารเพราะชาวบ้านเนี่ยมันไม่มีตลาดมันต้องฆ่าจึงจะได้กินพอมาเห็นตัวนี้ถ้าเราสึบออกไปเนี่ยเราต้องมีครอบมีครัวมีลูกมีเมียกับเขาเราก็ต้องหาเลี้ยงชีพแล้วเราฆ่าสัตว์เนี่ยมันจะบาปขนาดไหนอันนี้เรารักษาศีลไปภาวนาไปเลี้ยงชีวิตแบบสมณะ รักษาศีลภาวนาไปจะไม่ดีกว่าหรือมาคิดจะนาหลวงปู่นั่นก็เลยตัดสินอ้าหลวงปู่ผมจะไม่ศึกละอ่าก็เลยตัดสินจใจจะข้าวนู้นนึงมันก็เลยอยู่มาเพราะนั้นที่นี้บอกกับหมู่พวกเพื่อนว่าเวลาอยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์พยายามอยู่ให้นานเอผมเองผมจึงอยู่ถึงยี่สิบห้าปีทั้งพระทั้งเนนเ อ, อศึกษาพอออกจากครูบาอาจารย์ในทีนี่ เอาล่ะทีนีเ้เราไปอยู่ลําพังคนเดียวล้ะทีนี้ออออกไปอยู่ทางอําเภอนายูงแล้วเราจะไปที่ไหนก็ได้อืไม่ขัดไม่ค้องแต่เมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์ตั้งอกตั้งใจศึกษาข้อวัดปฏิบัติเอาจริงเอาจั ง, จงหนักเอาเบาสู้อย่าไปทะเลถลายครูบาอาจารย์แนะนําอย่างไรทำที่เป็นหลักธรรมวิไไนัยก็ส่วนตัวก็ศึกษาในพระไตรปิฎก อ่านให้เข้าใจศึกษาให้เข้าใจอย่างพระปฏิโมกพระน้อยเนนหนุมทั้งหลายควรจะท่องให้ได้นั่นน่ะนี่หละอยากจะให้หมู่พกเพื่อนทั้งหลายให้ต้องอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เคร่งครัดในหลักธรรมนในในศีลในสมาธิในปัญญาอย่างศีล น, นี่แหละเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีทั้งหลายแหละ ทางว่าพวกเราไม่มีสินถ้าสินขาดมันก็ไม่น่าดูไม่สวยไม่งามสินขาดสินทะุสินด่างสินพลอยไม่ดีทั้งนั้นแหละเพราะนั้นครูบาอาจารย์ของเราในเน้นหนักมากเรื่องศินเนี่ยสินพระปฏิโมกษ์สินสองรอยี่สิบเจ็ดข้อดิ้งให้ขาดตกบกพร่องสินนอกพระปฏิโมกษ์ท่านก็ให้รักษาอย่างเคร่งขัดท่านบอกอย่าประมาทนะ สิ่งเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนั่นน่ะเหมือนกับทุลีน่ะเหมือนกับขี้ผงนั่นน่ะถ้ามันเข้าตาขอนยุงขอนยางมันไม่เข้าหรอกขี้ผงนั่นแหะมันเข้าตาทําให้ตาฟ้าตาฟางทําทใหอ้อปัญญาของเราเศร้าหมองไม่สามารถที่จะมองเห็นสัจธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่จรงิงจังนันนัะเพราะนั้นพวกเราที่บวชมาให้ตั้งใจสร้าง ศีลสมาธิปัญญาให้เคารพสึ่งกันละกันอยู่ด้วยกันอย่าให้มีเดือดการทะเลาะเบาะแวงกันถ้าหากว่าพวกเรามุ่งมั่นในธรรมะในศีลในสมาธิในปัญญาเรื่องทั้งนอกไม่มีหรอกอย่างพวกเราก็เหมือนกันที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เดียวนี้แหละอย่าไปกลัวว่าอดอย่าไปกลัวว่าจะอดถ้าหากว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ไม่อด พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้เชื่อมั่นในศีลในสมาธินในปัญญาของตนสิ่งใดที่ไม่ถูกหลักธรรมในยาธรรมกระทั่งยาคิดจะโดยซ้ำไปเพราะนั้นวันนี้อาตมาได้พูดคิดว่าจะพูดเพียงเล็กน้อยนะก็ยืดยาวพอสมควรเอาละมั่งขนาดนี้นะ